สองปวัตติวาน 1. นึปุ ป, ปาทวาน 1. ปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจะขายัตนะมูลกนัยสปปิอนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดกําลังเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัรนาบุคคลผู้มีจักขุ เกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและโสตะเกิดได้กําลังอุบัติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสตายตนาก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดกําลังเกิด จกนนกักรนะกตกดดกกกตยตนะของบุคคนลนั้นก็กําลังเกิดกใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีโสตเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกาํนากลังเกิดแต่จักระยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีโสตและจักระเกิดได้กําลังอุบัติโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจักขายตนะก็กําลังเกิด อนุโลมปุจฉาจักรายยตนะของบุคคลใดกําลังเกิดคานายตนาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้มีจักรคเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูและคานะเกิดได้กําลังอุบัติจักรายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และคานายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขายตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีคานะและจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติค า, านายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปรูปายตนะของบุคคลใดกำลังเกิด จักระยตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจักระยตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา จะขายัตนาของบุคคลเหล่าใดกําลังเกิดมนายัตนาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัรณาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายัตนาของบุคคลใดกําลังเกิดจกขายัตนาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติ มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักรายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นก sí? ําลังเกิดและจักรายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักรายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ธัมายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดจะขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัรนาบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จะขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจะขายตนะก็กาลังเกิด จะขายัตนามูลกานายจบคานายัตนามูลกานายสิอนุโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดกําลังเกิดรูปลายัตนาของบุคคล น, น, นั้ น, นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายัตนะของบุคคลใดกําลังเกิดคานายัตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้ คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ก pa ําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ ปฏิโลม NEY. ปุชชามนายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้มานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิด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 วิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมานายตนะก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามานายาตนะของบุคคลใดกำลังเกิด รูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิษณุชาบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกาลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตได้รูปเกิดได้กำลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและรูปายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา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 แต่รูปายนตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและรูปายนตนะก็กําลังเกิดรูปา ย, น ต, นน ย, านายตนะมูลกนัยจบน ม, ชชามานายตนะมูลกนัย21อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมาย ต, ตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมาย ต, ตนะของบุคคลใดกาลังเกิดมน า, นายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจ hmm? ัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกาลังเกิด และมานายตนะก็กำลังเกิดมานายตนะมูลกรนัยจบอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกรนัย22อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดกำลังเกิดโสตายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะในภูมิใดกำลังเกิด จักขายัตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจ<ร>ัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมินใดกำลังเกิดคานายัตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวาจรภูมิในภูมินั้นจักขายัตนะกำลังเกิดแต่คานายัตนาไม่ใช่กำลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้น จักขายัตนะกำลังเกิดและคานายัตนะก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะในภูมิใดกำลังเกิดจักขายัตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะในภูมิใดกำลังเกิดปรูปายัตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา รูปายตนะในภูมิใดกำลังเกิดจักหายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตูมิในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดแต่จักหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดและจักหายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักหายตนะในภูมิใดกำลังเกิด มนายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนายตนะในภูมิใดกำลังเกิดจะขายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมนายตนะกำลังเกิดแต่จะขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนายตนะกำลังเกิด และจักขายัตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายัตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะในภูมิใดกำลังเกิดจักขายัตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในยสัญญาสัตตูมิและอรูปปมิ ในภูมินั้นธรรมายตนะกําลังเกิดแต่จักหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกําลังเกิดและจักหายตนะก็กําลังเกิดจักหายตนะมูลกไนจบคานายตนะมูลกไน23อนุโลมปุจฉาคานายตนะในภูมิใดกําลังเกิด รูปายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะในภูมใดกำลังเกิดคานายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิทัชนาในรูปาวจรภูมในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในกามาวจรภูมในภูมินั้น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 วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุตชาลธรรมายตนะในภูมิใดกําลังเกิดคานายตนะในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกาลังเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิด มานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัยยีิบสี่อนุโลมปุจฉารูปายตนะในภูมิใดกำลังเกิดมานายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนะในสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่กาลังเกิดในปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดและมนายตนะก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะในภูมิใดกาลังเกิดรูปายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจชนาในรูปประภูมิในภูมินั้นมนายตนะกำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่กาลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนายตนะกาลังเกิด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 แต่รูปายะตะนะไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวโการภูมิและอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นธรรมายะตะนะกาลังเกิดและรูปายะตะนะก็กําลังเกิดรูปายะตะนะมูลกนัยจบมานาายะตะนะมูลกนัย25อนุโลมปุจฉามานาายะตะนะในภูมิใดกําลังเกิด ธรรมายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะในภูมิใดกำลังเกิดมนายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในจตโวการะภูมิและปัญจโวการะภูมิในภูมินั้น ธรรมายตนะกําลังเกิดและมนายตนะก็กําลังเกิดมนายตนะมูลกนัยจบอนุโลมปุคโลกจาจักขายตนะมูลกนัยยอนุโลมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิสัชนาบุคคลผู้มีจักรคเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขคูและโสตะเกิดได้กำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสตายัตนะก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจะขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้มีโสตาเกิดได้จะขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จะขายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะและจะขู่เกิดได้กาลังอุบัติ โสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจะขายยตนะก็กำลังเกิ ด, กกกดในวงเล็บอายตนะที่ท่านย่อไอว้แล้วเป็นเช่นเดียวกันกันกบคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดจกขายยตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัยยี่สิบเจ็อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนาายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนาายตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนายตนะก็กําลังเกิดมนายตนะมูลกนัยจบปัจจณีกับบุคคลจะขายตนะมูลกนัย28อนุโลมปุจฉาจกขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด โสตายาตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กําลังอุบัติจกตักรายาตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตายาตนะม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรและโสตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จักขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาโสตายตนาของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจะขายยตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิัชะนาบุคคลผู้มีโสตเกิดไม่ได้จะขู่เกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิดแต่จักขายยตนะไม่ใช่ไม่กาลังเกิด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 คานะเกิดได้กำลังอุบัติจักขายาตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายาตนะมีใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุดติบุคคลผู้มีจักขูและคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กาลังเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนาของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด จะขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จะคู่เกิดได้กําลังอุบัติคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จะขายัตนามิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะและจะคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักระยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้มีจักรกเกิดไม่ได้รูปเกิดได้กาลังอุบัตจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะมิใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจชะนาใช่อนุโลมปุจฉา จักระยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีใจกูเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กําลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้น ไม่ใช่กำลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิลโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคใลดคใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชา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 วิจัชนาใช่จะขายัตนามูลกนา伊จบคานายัตนามูลกนายี่สิบก้าอนุโลมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายัตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้รูปเกิดได้กำลังอุบัต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 คานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจตชนะใช่อนุโลมบุจชาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจิาาต like that, กเกิดะมะนะไม่ได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่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 รูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายยตนะของบุคคลนั้นก bon sure hey, right? sure sure. sure ็ไม sure sure ่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กาลังเกิด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 รูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดธรร ม, มายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิทัชนาใช่รูปายตนะมูลกายนิจจบมนายนนาตนะมูลก า, นายนิจอ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 และธรรมายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่มานายตนะมูลกานายัยจบปัจจนิกโอกาสจักขายตนะมูลกานายัยสออนุโลมปุจฉา จักขายัตนาในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายัตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายยตนะในภูม <ellas> ินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขายยตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิด ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจะขายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปราวจรภูมิในภูมินั้นคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ ในภูม well, ินั้นขาญายตนะไม่ใช่กําลังเกิดและจักขายาตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุลมปุชชาจักขายาตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายญาตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจักขายาตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปายญตนณะมิใช่ไม่กําลังเกิดในอรูปภูมิในภูมินั้น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 และรูปายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิลโลมปุจฉารูปายตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานายะตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุจฉาคานายะตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาในรูปาวจรและอรูปาวจรภูมิ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 คานายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนากำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิสัชนาไม่มีคานายตนะมูลกันใยจบ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 มานายตนะมูลกนยจบจักขายตนะมูลกนัย3าอนุโลมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้โสตเกิดได้กำลังอุบัติ จะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตายาตนะม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรคูและโสตะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจะขายายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้จกขู่เกิดได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ KNOWN นั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จะขายายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจกขู่ และโสตะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดละมานายตนะมูลกนัยสาอนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้น